เวลาเรามีเวลาภาวนาก็ให้ต <c oughs> ั้งใจทำให้จริงๆนะตั้งใจทำให้จริงจังยิ่มาสักแต่ว่านั่งนะมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะตั้งใจทั้งตั้งใจทำให้จริงจัง หเห็นจิตหเห็นใจของตัวเองเนี่ยส่งร่องรอยไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะนั่งภาวนา5นาทีสินาทีครึ่งชั่วโมงเรานั่งภาวนาชั่วโมงกว่ามันอยู่ไหม <c oughs> มันสงบสงัดอยู่กับตัวไหม หรือมันวิ่งว่อนวิ่งร่อนยังหาที่ลงไม่เจอบางทีเราทำเป็นข้อวัดแบบนี้วันเว้นสองวันวันเว้นสองวันกลายเป็นเข้ามานั่งพอเป็นพิธี ตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่เราวางเอาไว้ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรหรือคอยให้ความสำคัญเฉพาะวันนี้วันที่มารวมกันเนี่ยวันธรรมดาก็ปล่อยปะละเลยปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่เกิดประโยชน์อะไรนะวันเว้นสองวันเพื่อเราจะสับเปลี่ยนเวลาให้เป็นเวลาปกติ ตัวเองกับเป็นเวลาก็เหมือนกับแกมแกมบังคับซะหน่อยจากนั้นแล้วก็ปล่อยให้เป็นปกติการที่เราตามปกติทำตามปกติเราน่าจะสะดวกสบายกว่าแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันสะดวกสบายจนลืมจนทิ้ง เ น, นไม่ได้ประโยชน์และไม่เกิดประโยชน์นะมีอานิสงส์เพิ่มพูนครั้งละนิดครั้งละหน่อยทถินที่จะขยับไปเพราะที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวได้กัขยับไม่ได้ตั้งไม่ได้ฝ่าฝืนไม่ได้ขี้เกียจขี้คลานมองไม่เห็นความสําคัญนี่ให้พิจรารณาดูให้ดีให้เห็นความสําคัญของตัวเอง เห็นความสําคัญของหัวใจของตัวเองเห็นความสําคัญของเวลาวันคืนล่วงไปเราล่วงไปอยู่ด้วยเวลาล่วงไปด้วยเวลาแล้วอยู่ด้วยเวลาเวลามากเวลาน้อยถ้าเรามวแต่จะไปอ้างโน้นอ้างนี้อ้างอะไรมีทุละปะปังอะไรเราก็ทํา หมดภาระหมดธุระเราก็ไม่ปล่อยงานหลักของเราอันนั้นเราทําเป็นการเป็นคราวพอหมดการหมดคราวแล้วก็ขยับเข้างานของเราย้อนมาดูทุกระยะย้ยอนมาดูทุกครั้งย้อนมาดูเนืองๆย้อนมาดูใจของตัวเองมันก็ถือว่าไ ม, ไม่เป็นการปล่อยปละละวางละวางภาระกิจของตัวเอง ระวางงานการในใจของตัวเองระวางความเพียรกำหนดจดจอ่อตั้งสติของตัวเองให้แน่นหนามันคงเข้าไปกำหนดจดจอ่อตั้งเข้าไปทำศักธิธ์สิธรรทหรือทำแบบอย่างก็ทำศักิ์ทธิแบบอย่า ง, าบบางไม่ได้กำหนดจดจอ่อให้จริงจังเข้าไปมันก็ขยับยากเหมือนกันนะบางที่ขยับไม่ขึ้นเลยขยับยากเหมือนกันแหละ ใจของเราต้องมันต้องมันถึงคราวเข็ดหลาบมันถึงจะพอจะมองเห็นระดับพอที่จะขยับปรับเนื้อปรับตัวได้ถ้ายัางไม่ถึงคราวจริงๆมันก็ขยับไม่ได้เหมือนการจะเบื่อจะนายการจะเห็นโทษเห็นไผ่เนี่ยมันไม่ได้เห็นง่ายๆนะทําไมเป็นเหตุถึงจิตถึงใจจริงๆมันจะไม่เห็นง่ายๆแหละคลีสักเทว่ธรรม มันจะเป็นยังไงก็ตามเราอย่าลืมเจาะเข้ามาที่พรงของเราทุกระยะจาะเข้ามาทุกระยะทำนั้นทำนี้ทำไหนทำอะไรก็ตามยืนยืนยังไม่จัดไม่ทำงานก็ตามเดินยังไม่จัดทำการทำงานก็ตามย้อนเข้ามานั่งยังไม่ได้จัดทำการทำงานอย่างอื่นเนีๆๆๆๆ่ยย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาทุกระยะ หรือแม้แต่งานอยู่งานอยู่ที่มือเราก็พยายามย้อนเข้ามางานอยู่ที่มือเราก็พยายามพยายามย้อนเข้ามาย้อนได้ไหมลองดูเนลองย้อนดูยองพยายามย้อนมาดูดูจิตของตัวเองสังเกตสังกายจิตของตัวเองพิจารณาจิตของตัวเองพยายามยกจิตของตัวเองมันสงบอยู่ในท่าทีนั้นก็ถือว่าเราไม่ปล่อยปละละวางมันเป็นการต่อเนื่องทำให้สติเรากล้าแข็งขึ้น ยิ t t ่งเราอยู่ในท่า <arriba> ท <Good ologia>. ีท <arriba> ี่เราเดินด้วยแล้วะอยู่ในท่าทีที่เรานั่งด้วยแล้วเวลาแต่ละนาทีมีคุณค่ามากอย่าให้มันขยับออกจากผู้รู้ของเราพุทโธพุทโธไปจ่อไปที่ผู้รู้พุทโธประคองผู้รู้พุทโธประคองผู้รู้พุทโธประคองผู้รู้ประคองยังไงดูให้มันเห็นผู้รู้เป็นยังไงดูให้มันเห็นพยายามตั้งใจประคับประคอง ย้มตั้งใจดูแลจะเห็นใช้ความภาคความเพียรให้มากแล้วมันจะเห็นจิตใจพอมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกมันก็จะเริ่มมีความสงบมันจะเริ่มมีความสุขมันจะเริ่มมีความเบาสบายมันจะเริ่มมีความอ่อนนิ่มดึงเข้ามาหาศีลหาธรรมหาเพื่อเห็นโทษเห็นภัยเห็นอะไรมันก็เห็นง่ายมันก็อ่อนมันกนิ่มจิตอ่อนกายอ่อนจิตอ่อนหมายถึงอ่อนเพื่อที่จะหมกดัก เข้ากับการกับงานจิตเบากายเบาความสุขก็อยู่ในนั้นแหละความแปลกปรลาดภายในจิตใจก็อยู่ในนั้นกำลัดจดจอ่อต้อนเงื่อนมันก็มีผลตามมาอย่างนั้นแต่ถ้ากำลัดจดจอ่อดูให้ทีเข้าไปละเอียดเข้าไปทําให้ทีไม่ละเอียดมันห ย, ยาบๆก็เหมือนอย่างที่พูดตั้งแต่ทีแรกนั่นแหละ เราจ่อก็นั่งภาวนาเข้าไปตั้งแต่สิบนาทียี่สิบนาทีจิตมันดิ่งหรือยังมันหลงหรือยังมันร่อนหรือมันร่อนไปร่อนมาร่อนมาร่อนไปถ้าจิตมันเคยอยู่เดินเนี่ยเดินเพื่อที่จะมาสวดมนต์มันก็ดิ่งพยายามมานั่งมันก็เริ่มจะเริ่มดิ่งทิ้งให้หมดอารมณ์ไม่ให้ความสำคัญมันอารมณ์อย่างอื่นทิ้งให้หมดไม่ให้ความสำคัญมัน ให้ความสำคัญกับผู้รู้อันเดียวเนี่ยหรือไม่จ่อพื้ที่กายส่วนไหนก็จ่อไปได้เลยจ่อมันทะลุไปเลยจ่อขาให้ขามขาดไปเลยเนี่ยจ่อกลางตัวมันทะลุไปเลยเนี่ยจ่อหัวให้มันทะลุไปเลยหัวเนี่ยจ่อคอไงข้อมันขาดไปเลยจ่อมาดูจ่อแขนจ่อขาจ่อคอจ่อมันทะลุไปเลยเนี่ม ถ้าเราจะพิจารณากายถ้าเราจะดูกายดูให้ทะลุเข้าไปให้ทะลุผิวหนังเข้าไปข้างในต้องจอเข้าไปมันเห็นอะไรบ้างจอเข้าไปมันทะลุเข้าไปมันเป็นการคาดการเดาเป็นการหมายแต่มันเป็นหลักการหลักวิชาที่พระพาทธาสอนให้คาดให้เดาเพราะปัญญาที่แท้จริงกว่าจะโผล่ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยสัญญา ปัญญาที่แท้จริงกว่าจะโผล่ออกมาได้มันต้องอาศัย ส, สัญญาสัญญาก็คือการจําได้นี่รับจำง่ายๆจําจได้สีดําสีแดงสีเหลืองสีเขียวพระกอพระขอนายกอนายงอนางจอจําได้ต้นนุ่งต้นต้นนุ่นต้นนี้ก้อนอิดก้อนดินก้อนกรวดก้อนสายกติ ตรงครัวสาลาห้องน้ําดูแล้วมันมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบความตัวเราดูไปให้ทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปข้างในเป็นเนื้อปอกหนังออกเข้าไปอะไรเป็นเลือดเป็นเนื้อเนื้อมีเยอะเลือดมีเยอะเยอะเนื้อ หนังเนื้อเอ็นกระดูกนั่นดูทีหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ดูเข้าไปทีใช้สัญญาในเจาะเราจำนู่นจำนี้ก็คืออาศัยสัญญาจำถ้าเรามองให้ทะลุสัญญาไปสักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่รู้อะไรมองให้จะเลยสมมติไปมองพิจารณาเห็น ให้เห็นว่าภาวะของสิ่งเหล่านั้นมีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเลยสมมุติไปพยายามดูให้ทะลุเข้าไปสัญญาสัญญาโดยหลักของสัญญาที่แท้จริงสัญญาโดยที่เรามาคาดมาเดาโดยความเป็นธรรมเอาสัญญามาเป็นเครื่องมือทำถ้าเราไม่เอามาทําเป็นเครื่องมือทำกิเลสก็จะเอาไปเป็นเครื่องมือมันมันก็ไปคาดไปหมายไปเดาเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเนี่ย ถ้าสัญญามันเอาไปคาดไปเดาแล้วนะเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่องามเพื่อไม่งามมันคาดไปหมดมันเดาไปหมดเพื่อได้มาเพื่อเสียไปเพื่อชนะเพื่อแก้แค้นเพื่อล้างแค้นเพื่อได้มาเพื่อคุ้มค่าเพื่อเสียไปเพื่ออะไรสารพัดที่มันจะคาดจะเดาเอาไปใช้เกิดประโยชน์กิเลสเอาไปใช้ แต่แต่เป็นเรื่องของธรรมดูมาสัญญาค่าให้รู้ว่าเป็นสัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาพิจารณาโดยความเป็นธรรมเป็นเหตุทาให้จิตของเราเนี่ยข็ดหลาบเบือ่อนายได้สะอิดสะเอียนได้ลองเพ่งให้เป็นอสุภลองดูทีทั้งทั้งที่มันยังไม่มีอสุภะอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยลองกำหนดดูให้เนา่าเฟะนอนเจาะยัเยยยุบยับ กลิ่นคล้งก่นหมดจดจอดูเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พยายามมองสิ่งที่เป็นอสุภะเพื่อให้เป็นเพื่อให้เห็นให้เห็นเป็นภาพติดตาติดใจภาพติดตาติดใจนี่แหละอมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งอมันเป็นสัญญาอย่างหนึ่งเป็นนิมิตอ กนิมิตอาศัยนิมิตที่เราเพ่งที่เรากําหนดจดจอบ่อยอครั้งนั่นแหละเป็นสัญญาคือจําจําได้เป็นสัญญาหรือไม่เป็นสัญญาจําได้แม้แต่เพ่งให้เป็นอสุภะเป็นเนา่าเปื่อยสีดําสีแดงสีเหลืองนอนตัวเล็กตัวใหญ่เจาะยุ้ยเยียยุบยับเปื่อยเท่า น, นั้นยุย่ยตรงนี้ลึกโวไปตรงโน้นโอ้ยนอนเหรอ รัเย่อเยแซกันอยู่ข้างในนั่นน่ะดูให้เห็นหน่าสะอิดสะเอียนนะทั้งทั้งที่เราคาดเราเดานะสัญญามันทำให้จิตเบื่อหน่ายได้เราเอาผลตรงไหนเอาผลตอนไหนเอาผลตอนที่มันรู้สึกเบื่ อ, อรู้สึกเบื่อคลายจากความกำหนัดจากความรักความใคร่ความกำหนัดความยินดีนอ่ามันจะพลัง ของราคะตัณหาเรานะั้นมันจะยุบลงโย่แวบลงเหมือนเราเท น, าน้ำออกจากถุงถุงพลาสติกนั่นแหละแวบลงจนหมดอนะ่ะวิวเราหัดกำหนดพิจรนารณาเนี่สัญญาแบบนี้ได้ประโยชน์พระพจาท่านสอนให้เรียนสัญญานะสุภสัญญาอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอนิจจสัญญา กำหนดเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นเง้นเป็นเงินเป็นเงินเป็นง้นไม่คงที่เปลี่ยนไปไม่คงที่เปลี่ยนไปทุกอย่างรอบอยู่รอบข้างตัวเราไม่คงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปไม่คงที่เดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเราดูแต่วันคืนแตต่ละวันแต่ละคืนก็แล้วกันกลางวันซะหน่อยนะเริ่มสว่างขึ้นมาแล้วล่วงเข้าไปล่วงเข้าไปตอนเช้ากัพอดีพอดีไม่หนาวบบเริ่มขึ้นมา ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นมาโล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเริ่มร้อนเริ่มร้อนเริ่มน้้นเริ่มเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยอุณหภูมิก็เปลี่ยนไปความเย็นก็เปลี่ยนไปเป็นร้อนไปเปลี่ยนมาถึงตัวเราเคยชุ่มเย็นพอดีปลายมาร้อนเหงื่อแตกเหงื่อไหลคลย้อยแล้วดูทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนไปเรื่อยแม้ตัวมันเองมันก็หมุนมาเรื่อยหมุนมาเรื่อยจากอยู่ติดดินตะวันออกมันโล่ขึ้นมาเรื่อยโผล่ขึ้นมาเรื่อย ตอนที่อย่างมันก็อยู่บนหัวน่ะตอนบ่ายก็บายไปเรื่อยบ่ายไปเรยบ่ายไปเจนเกยดินเกยโลกเกยดินแต่เป็นตกแล้วรับเข้าไปดูที่มันคงที่สักอย่างไหมนี่สิ่งรอบข้างตัวเราไม่คงที่ดูไปที่ต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่เคยใบดกหนาถึงคราวมก็เลืองเริ่มเลืองเริ่มเลืองเริ่มร่วงเริ่มทิ้งเริ่มร่วงเหลืองเริ่มทิ้ง อันนั้นก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปอันนั้นก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปเรากําหนดเป็นอนิจจสัญญาร่างกายของเราตอนนี้สุขสบายตอนอิมน่มหนำสําราญก็สุขสบายมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนเป็นมีกําลังวังชาเปลี่ยนเป็นอน่อนเพลียเปลี่ยนเป็นอยากง่วงเหงาหผลนอนเปลี่ยนเป็นหลับเปลี่ยนเป็นนอนเปลี่ยนเป็นฝันละเมอเพลคอกอะไรไปตามเรื่อง อิมตื่นขึ้นมามีกําลังก็ชุ่มกระชวยดูเราดูคิริอาการของมันมันจะเปลี่ยนไปหมดนี่เราดูเราดูง่ายๆ่ให้เห็นปนระจําวันแต่ละวันถ้าเราดูล่วงหน้าไปาเราก็ดูย้อนไปตั้งแต่เราเกิดในท้องแม่ย้อนมาย้อนมาย้อนมาย้อนมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาโตขึ้นมาจนมานั่งต้องมองเต็งแหมงอยู่เนี่ยเนี่ยมันอยู่คง ท, ที่ที่ไหนแล่ะขยับไปอีกถ้ายังไม่ถึงจุดใหญ่เต็มที่อ่า แล้วก็จะโค้งลงเยาวัยเริ่มแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงย้อนดูไปดูไปดูไปจนถึงที่สุดดูไปถึงหมดลมหายใจประง่าประงาประง่าประง่านอนแช่อยู่อย่างนั้นแหละหนึ่งชั่วโมงล่วงไปสองชั่วโมงล่วงไปสมชั่วโมงล่วงไปเริ่มแข็งเริ่มทื่อเริ่มขึ้นอืดสี่ชั่วโมงหชั่วโมงหชั่วโมงเริ่มขึ้นอืดเริ่มส่งกลิ่น กลิ่นมาจากไหนกลิ่นมันมาจากข้างในก่อนมาจากข้างในปากมาจากข้างในจมูกมายากจากข้างในทวันหนักทวันเบาจากนั้นแล้วก็ดินน้ามลมไฟมันก็เริ่มแยกกันแล้ะตอนนี้เมื่อก่อนมันรวมตัวกันดีตอนนี้มันมาเริ่มแยกกันและน้ำก็ไหลยเยิ้มไปเป็นน้าไปดินก็เริ่มเปื่อยผุพังเยิม้ม ในระหว่างที่มีที่เป็นน่ะกลิ่นก็สรงกลิ่นฟุ้งแมงวิวีแมงวันก็มารุมมาตอมมาเจาะมาชอนมาใช่นี่กำหนดให้เป็นอนิจจสัญญาด้วยเป็นอนัตต อ, อ, อ, อ, อสุภาสัญญาด้วยไปในตัวในขณะเดียวกันตายกระจายไปหมดเหลือแต่เหลือแต่กระดูกเส้นเอ็นรัดรึงรัดกระดูกอยู่ ล้วก็ดูบริเวณที่มันเปือยมันยุ่ยเนยดินตรงนั้นก็จะเริ่มดำเน่าเหม็นนวันคืนล่วงไปฝนตกแดดใสฝนตกใ ส, แ ด, สแดดสาดแดดสาดใสเข้าไปฝนตกใส่เข้าไปโอ้เป็นปุ๋ยายญ้าขึ้นมาฮะเช่นเอ็นเรล่านั้นก็เริ่มเปือยเริ่มยุย่ย อ่าที่มันรัดมันตึงอยู่ก็เริ่มรุดอันนั้นก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปอันนี้ก็ร่วงไปวันคืนร่วงไปดูร่วงไปร่วงไปจากแดงแดงเป็นคราบทั้งหลายทั้งปวงก็เริ่มขาวเริ่มเปื่อยยุย่ยเป็นแป้ง อ, อันนั้นก็กลิ้งไปอันนี้ก็กลิ้งไปอันนั้นก็ถูกลมพัดไปอันนี้ก็ถูกฝนชะลงไปอันนั้นดินไหลมาทับมาถมหายหมดเกลี้ยงในที่สุดเราพยายามดูอย่างนี้เป็นอนิจจสัญญาดูให้เห็นอย่างนี้ ใช้สัญญาแบบนี้เป็นเป็นธรรมเป็นอารมณ์อ น, นิจจสัญญาอ น, นัตตสัญญาทุกขสัญญาสำคัญว่าเป็นทุกสำคัญว่าเป็นทุกทุกมันมีอยู่สองสถานะนะทุกของของกายของเราฐานะอย่างหนึ่งของมันก็คือมันไม่คงที่นี่ทัยกวติทุกขังทุกขังทุกอันหนึ่งคือมันคงทนไม่ได้ เพราะฉะนั้นธนวัตรทุกขังยังไงอนิจจังก็อย่างงั้นด้วยเหตุที่มันทนไม่ได้มันจึงเปลี่ยนไปลักษณะหรือกิริยาการเปลปี่ยนไปธนวัตอนิจจังอนิจจังเป็นภาวะของสังขารไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครมีอยู่ยงี้เ ป, ง เ, ปเป็นอย่างนี้ไม่มีใครจะห้ามไม่ให้มันเปลี่ยนได้อย่าเป็นอย่างงั้นนะอยาเป็นอย่างงี้นะอยู่อย่างงี้นะไม่ให้เป็นอย่างงั้นไม่มีใครห้ามได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ห้ามอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนี่คือกองทุกข์ท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาห้ามไม่ได้นี่แหละท่านบอกอนัตตาหวังยังไงจากจากมันก็ไม่ได้นี่แหละอนัตตากะเกณฑ์ให้เป็นไปตามใจหวังอย่างนั้นหวังอย่างนี้อย่าเจ็บเลยอย่าปวดเลยอย่าไข้เลยจงพอจงอ้วนจงพีจงขาวจงผ่องให้น่ารักให้น่ากำหนัดน่ายินดีอยู่อย่างนี้เถอะอย่าได้อย่าได้ หอมกระงองอ่าได้ดำปีจ า, าได้อดโซเดินโซสัดโซเซให้มันขาวให้มันผิวให้มันพองใ้มันอยู่อย่างนั้นบอกไม่ได้สักอย่างท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตากิริยาอาการเหล่านี้เป็นกิรยยิยาหยาบๆยที่เราเริ่มหัดพิจารณาให้เห็น ใช้สัญญานี่แหละเป็นตัวคาดเป็นตัวหมายเป็นตัวเดาคัดสีอยู่อย่างนั้นแหละจนความจะได้ที่มันก็จะไหมลุกไหมเป็นไฟขึ้นมาได้ธรรมะที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจมันก็จะเกิดขึ้นในหัวใจได้ตั้งใจทาเอาดูความเปลี่ยนแปลงที่กายดูความเปลี่ยนแปลงปทิจัยของเราใจของเรามันเปลี่ยนแปลงทุกระยะถ้าเราสังเกตดูมันเปลี่ยนแปลงวิ่งขึ้นรับอารมณ์ ถ้าเราไม่กําหนดจดจอให้อยู่กับอารมณ์เดียวด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะวิ่งนุ่นวิ่งเนียวิ่งรับรูปบ้างรับเสียงบ้างรับกลิ่นบ้างเรามานั่งหลับตาเนี่ยแหละมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะหลับตาด้วยนะเรานั่งหลับตาเนี่ยมันก็นึกถึงภาพรูปนั่นนะบางทีก็มีเสียงแว่วมาเนี่ยบางทีก็มีสมีกลิ่นโชยมาเนี่ยบางทีมีความสัมผัสมีความนิ่มนวลมีอะไรมีลมมีอะไรพัดมาสัมผัสเนี่ย นี่เป็นเรื่องของสัญญาทั้งนั้นเป็นเรื่องของสัญญาเ ม, มีอะไรคงที่มันด ม, มีอะไรคงที่สัญญาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เกิดเกิดประโยชน์เอามาพิจารณาในแง่ของธรรมะจนกว่าจะเกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาได้ต้องอาศัยสัญ ญ, ญานี่แหละเป็นเครื่องหม้เครื่องมือเป็นตัวขัดเป็นตัวเกาเพราะเป็นอาการที่เราแยกออกมาจนจิตนะ เป็นผู้รู้ที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตเวทนาสัญญาณสังขารวิญญาณเวลาก็ทํางานสับปะสานกันในขณะเดียวกันพร้อมเพรียงกันอยู่นั้นเวลาก็ทํางานแต่ถ้าเราเวลาเรามาแยกเราเจนว่าเอออันนี้เป็นเวทนาเป็นพันแดกหนึ่งของมัน่ะแต่มันทํางานในขณะเดียวกันนะั่นแหละเป็นสัญญาณทางานในขณะเดียวกันนะ่ะสังขารเนี่ยในขณะที่มันกระดูกกระดิกนะ่ะเป็นขณะเดียวกันนะั่นแหละ แล้วก็วิญญาณก็เกิดความรู้พร้อมๆกันในขณะเดียวกันนั่นแหละวิญญาณตัวนี้แปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งรู้แจ้งแป๊บเดียวแล้วก็ดับรู้แจ้งแป๊บเดียวแล้วก็ดับไม่ใช่วิญญาณนธะาตุวิญญาณนี้เป็นวิญญาณทาี่เป็นอาการของวิญญาณธาตุเป็นอาการของผู้รู้เป็นอาการของไฟเป็นอาการของไฟถ้าเราจะดูแสงไฟนั่นนะคืออาการของมันตัวมันแท้ๆเนี่ยมันจะร้อน ตัวไฟเราดูที่เปลว เ, เทียนเราจะเห็นได้ชัดที่เราเห็นทั้งหมดน่นนะเป็นกิริยาอาการของมันไม่ใช่ธาตุไฟตัวธาตุไฟแท้ๆเราเห็นไม่ได้แต่ถ้าเราเอามือเราไปแย่เม่านั่นความร้อนนั่นนะเราเห็นไม่ได้นั่นนะ่ะนั่นความร้อนนั่นแหละคือธาตุไฟกิริยาอาการที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณที่ท่าเรียกว่าขัน ขันทั้งสี่นี่เนี่ท่านให้เราเรียนรู้มันเป็นศัพท์สูงเป็นธรรมะที่ละเอียดแต่เราต้องต้องเรียนเราต้องศึกษาเราไม่เรียนเราไม่ศึกษาเราก็ขาดขาดอุปกรณ์ขาดเครื่องมือขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดกุญแจไขไปสู่อุบายวิธีที่จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรจำเป็นจะต้องเรียนรู้ธรรมะจะต้องเรียนรู้ ธรรมของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทต้องได้ยินได้ฝังแล้วก็โอปัญิโกโลลก็น้อมเข้ามาโอปญิโกโลแล้วก็น้อมเข้ามาบางทีท่านให้ 1% เปอร์เซนตเี่ยเราไปทำทำาได้ส0บเ 50% ยี่บอร์ห้าสิบปอร์ซบางทีเข้าถึงอัดถึงทำเต็มที่ได้ร้อยเปอร์ซนเหมือนอย่างผู้ที่ท่านตั้งอกตั้งใจทำแปลกิริยาการอาจจะทำเท่ากันอาจจะทำนานเท่ากันอาจจะทำมากน้อยไม่เท่ากัน แล้วแต่บุญายาทีิการการสังการสังสมอบรมมาของจิตดวงนั้นดวงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงมีความรู้มีความเข้าใจมีความฉลาดไม่เท่ากันมีความรอบรู้ไม่เท่ากันมีความเข้าใจไม่เท่ากันมีการเข้าถึงทำละเอียดละออยาบละเอียดไม่เท่ากันถ้าคนต่างทำ คนระจริตคนนิสัยแล้วก็ต่างคนต่างจัดต่างธรรมนี่ธรรมะของพระเจ้าทุกอย่างทุกเรื่องต้องโอปัญญโกน้อมเข้ามาจะไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้วิสัยพระษาวกเนี่ยต้องได้ยินได้ฟังวิสัยพระาศาสดาไปนั่งค้นคว้าวเองใช่ไหมรุ่ยเจ้าท่านพระธรรมาพระ บ, บรากายของพระองค์หกพันษาหกปีอะทรมานทดสอบอย่างนั้นทดสอบอย่างนี้ทดสอบอยั ง, ออยงไงก็ไม่เป็นผลเป็นที่พอพระไทย ทดสอบอยังไงก็ไม่เป็นผลที่พอพระไทยก็เลยมานั่งพิจารณาเสาะไปพิจารณาเสาะมาเสาะจอมาที่จิตผู้รู้ของพระองค์นั่นแหละจึงเห็นเงินเห็นงามเห็นต้นเห็นต่อย้อนก็ไปย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาย้อนเข้าไปย้อนเข้าไปย้อนเข้ามาเห็นาาจิตของพระองค์ในรูในขณะจอไม่ปล่อยเนี่ยกิเลสตันหาสาวะที่เคยเดือดดาลในหัวใจมันก็เหงดไปเหงดไปเหงดไปเหงดไปเหงดไปเหงดไป หนที่สุดเข้าถึงเข้าถึงธรรมหนที่สุดเข้าถึงธรรมพราะเข้าถึงธรรมนั้นมันกรจายไปหมดแล้วนะจะกรจายไปหมดละกระจายไปหมดละสว่างไปหมดโล่ไปหมดเข้าถึงเข้าถึงธรรมเข้าถึงกระแสของธรรมเข้าถึงอัตเข้าถึงธรรมเข้าถึงมิติอีกมิติหนึ่งของจิต ท, ที่แตกต่างไปจากการคาดการเดาการหมายการยึดการติดการสมมุติการอะไรต่ออะไรสารพัดสามารถเข้าถึงได้เป็นเหตุให้กิเลสปัญหาสะวะวนั้นเ ห, เหือดไปแห้งไปได้อาสะวะยายาัคยญาณเห็นไพระองค์ได้อาสะวะยายาัคยญาณอาสะวะยายาัยญาณ คือพระญาณอย่างรู้ว่าอาสวกิเลสในพระไัยของพระองค์หมดไปสิ้นไปมีญาณทัศนะญาณอย่างรู้ได้ญาณทัศนทั้งรู้ทั้งเห็นเกิดญาณทัศนะทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นวิชาจากโคอุอุปานิมีจักสุ จักสธุธรรมเกิดขึ้นปาดิอุปาดิาดจักขุอุปปาดิญานังอุปปาดิปัญญาอุปปาดิวิจญาอุปปาดิอาโลโกอุปปาดิจักสุจักสุในธรรมเกิดขึ้นในพระไตยของพระองค์ ญาณคือความยังกําหนดรู้เกิดขึ้นในพระไถ่ของพระองค์ปัญญารู้จําแรกแตกก็สารสร้สางนส้นแตกฉานไปหมดปัญญาญานแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างเหล่านั้นก็คือปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดแสงสว่างความมืดมิดด้วยอํนานาจของโมหะ<ม> ภายในพระไทยน่ยแต่กระสานสางเซนออกไปหมดอาโลโกสว่างโลเจดจ่ายตราบใดที่พระองค์ไม่เห็นไม่เกิดจักสุไม่เกิดญาณไม่เกิดปัญญาไม่เกิดวิชาไม่เกิดแสงสว่างพระองค์ไม่ปฏิเสธว่าพระองค์ได้อาศักขยาญาณด้วยเหตุที่พระองค์ได้อาสักขยาญาณพระองค์จึงว่าพระองค์เนี่ยพ้นวิเศษแล้วพนวิเศษแล้ว สิ่งที่พระองค์ต้องการเนี่ยประสบผลสําเร็จแล้วสิ่งที่เหนือนี้เกินไปจากนี้ไปดีมากกว่านี้ไปอีกไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วแต่กิริยาอาการการหมุนก็พระองค์ทรงสแสดงให้ฟังหนึ่งกิริยาอาการการหมุนมันก็มาเข้าหลักอริยสัจสี่เลเป็นเหตุให้พระองค์รู้ว่าโอ้อันนี้คือทุกข์โอ้อันนี้คือสมุทยัยเหตุมัน เข้าหาเหตุเข้าหาปัจจัยแล้วกันเข้าหาเหตุหาผลถ้าไปแบบเกินนอกเหตุนอกผลเนี่ยมันจะผิดหลอกเข้ามาในเหตุในผลด้วยเหตุที่พระองค์หมุนพระไทยมาเกี่ยวกับเหตุกับผลจึงสามารถทะลุทะลวงไปได้เลยเป็นเกณฑ์อันหนึ่งของโลกในโลกของโลกเป็นเกณฑ์อันหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกว่ามีเหตุแล้วก็มีผลมีเหตุแล้วก็มีผล มีเหตุกับผลเท่านั้นสรุปลงมาคือเหตุกับผลเรากำหนดผลแล้วก็ย้อนไปหาเหตุหรือกำหนดเหตุแล้วก็ย้อนล่วงหน้าไปหาผลกำหนดผลแล้วก็ย้อนไปหาเหตุผู้มีปัญญาเห็นไหมพระสิชิแสดงกับพระสารีบุตรเนี่ยแสดงเรื่องเหตุกับผลแค่นี้ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยผู้ผู้มีปัญญามองเห็นเลยโอ้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมามีเหตุพระเจ้า โออันนี้ทุกโออันนี้เหตุให้เกิดทุกนี่ข้อปฏิบัติที่เรากําลังขัดเกลาร่อยู่นี่แหละอืเป็นเหตุให้ความทุกข์เหล่านี้ดั บ, ดบลงไปนิโรดนิโรธความทุกข์ดับลงไปก็คือกิเลสดับลงไปกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงดับมอดไปหมดจากนั้นแล้วพระองค์ก็มาเทศให้ลูกสิทธิ์ฟังนี่นะกลายเป็นลําดับ เปลี่ยงเป็นชั้นเป็นภูมิหลักในปฏิจจสมุปบาทอันนั้นเกิดขึ้นอันนั้นเป็นเหตุเกิดขึ้นอันนี้เป็นผลอันนั้นผลอันนั้นเป็นเหตุเกิดเป็นผลอันนี้ผลอันนั้นเป็นเหตุเกิดเป็นผลอันนี้อีกผลคอานั้นเป็นเหตุเกิดเป็นผลคอานี้อีกอันนั้นเป็นผลผลเกิดเป็นเหตุเหตุเป็นผลผลเป็นเหตุผลเป็นเหตุผลนั้นกลายเป็นเหตุเหตุของอันหนึ่งมันมาจากสิ่งหนึ่งเหตุอันหนึ่งมันกลายเป็นผลมาจากอันหนึ่ง เหตุอันหนึ่งอันหนึ่งมันกลายเป็นผลมาจากอันหนึ่งหรือผ ล, ผลเหตอนนุอันนี้ผลอันนี้กลายเป็นเหตุให้เกิดอีกอันหนึ่งผลอีกอันหนึ่งกลายเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งกลายเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งเราพิจารณาดูอย่างนี้มันมันพัฒนาไปไม่สิ้นสุดเรื่องเรื่องเหตุกับผลเพราะฉะนั้นเราพยายามสาวหาไปหาเหตุหาผลหาต้นต อ, อลองหัพิจารณาดู ทำให้เรามีความรู้มีความฉลาดในใจนะนี่แหละวิธีการพัฒนาจิตทําให้จิตของเราพยายามเจาะลึกข้างในเจาะลึกก็ไปเรื่อยเจาะลึกก็ไปเรื่อยเจาะลึกก็ไปเรื่อยข้างในระยะช่วงระยะที่เราตั้งใจทําให้สงบเราพยายามตั้งใจทําให้สงบตั้งใจยกจิตผู้รู้ให้อยู่ให้มันรู่ให้มันได้ท้งใจยกอยู่ไม่ได้ทำไมมันไม่อยู่พยายามเครียยพยายามแคนให้กับมัน่ะ ด่าพ่อด่าแม่มันนะ่ะด่าเกลียดมันไปแยีจิตนั่นแนหะอย่าไปไอ้ออกปากนะเดี๋ยวได้วิ่งจับกันนะอย่าไปออกเสียงก็แล้วกันแนะ่ะด่าโคตรด่าแท้มันนี้ลั่นไปหมดนะอย่าไปออกเสียงนะเน้นน้อยออกเสียงไม่ได้ได้โ ด, ดนไล่จับนะฮะ <c oughs> <c oughs> อา่อานั่นน่ะนั่งหลับกันแล้วนั่นเห็นไหมนั่งหลับภาวนาดี ไม่ใช่นั่งหลับเรื่อยเปื่อยเฉลิบเปิดเพิงนะตั้งใจนั่งตั้งใจทำให้จริงจังพวกเราบวชเข้ามาชว่วการโชว่วคราวพยายามศึกษาขนทรทมเนียมให้ดีพยายามปรับจิตนิสัยให้ดีน ะ, ะนิสัยแข็งกระด้างก็ปรับให้มันอ่อนลงบ้างมือไม้แข็งกระด้างให้มันอ่อนลงบ้างโดยเฉพาะเนรพูดกับพระเนี่ย พูดกับครูบาอาจารย์เนี่ยต้องพนมมือนะต้องยกมือนะนี่เป็นธรรมเนียมวัดป่าเรานะถ้าไม่ทำถือว่าไม่มีธรรมเนียมวัดป่าแล้วน ะ, ะไม่มีธรรมเนียมวัดป่าแล้วพูดกับพระองค์นั้นพูดกับพระองค์นี้เป็นการอ่อนน้อมเป็นกิริยาที่งามนะแล้วก็เป็นเป็นของที่ทำได้อย่าลืมนะแข็งกระด้างไม่ได้นะ อย่างน้อยเราเข้ามาอยู่หนึ่งเดือนเนี่ยต้องอ่อนต้องอ่อนน้อมใจก็พยายามอ่อนน้อมอ่อนน้อมให้กับศีลอ่อนน้อมให้กับธรรมอ่อนน้อมให้กับผ้าเหลืองอ่อนน้อมให้กับพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์อ่อนน้อมให้ บ, บุคคลที่ควรเคารพนับถือทั่วทวไปนู่นไม่ออกเพราะออกผู้บำรุงด้วยศรัทธาเนี่ยบำรุงด้วยข้าวปลาอาหาร เราสะดวกสบายเราพยายามมองให้เห็นคิดให้มากเรื่องเหล่านี้อย่าไปคิดเรื่อยเปื่อสนุกสนานไปตามเรื่องเสียการเสียเวลาเรื่องอ่อนน้อมเนี่ยเรื่องอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเรื่องการอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นกิริยาที่งามใจจะแข็งแกร่งด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญา ด้วยวิริยะอุตสาหะแข็งก็ต้องแข็งแบบนั้นแต่ถ้าเป็นแข็งกระด้างใช้ไม่ได้กิริยาแข็งกระด้างมือแข็งตีนแข็งมือไม้แข็งกิริอาการหูตาปากแข็งดูไม่ได้ขายไม่ได้ต้องตั้งใจพยายามปรับเอาให้ได้เนนสมเนนสมะเนนแปลว่าเหล่ากอของพระเหล่ากอ เป็นลูกเป็นหลานของพระเป็นเหล่าเป็นกอของพระสัมเนนแปลว่าเหล่ากอของสมณะสัมเนนสัมเนนเหล่ากอของสมณะอเป็นพระน้อยอยงั้นเถอะนุ่งเหลืองขงเหลืองถ้าตัวน้อยก็เป็นพระน้อยเป็นเหล่ากอของสมณะเป็นหน่อเนื้อเชื้อชาติพันธุ์ของสมณะเป็นเหล่ากอของสมณะ เป็นคนใช้คนสอยของสมณะใช้สอยเพื่ออะไรเพื่อฝึกหัดดัดแปลงกายกิริยากายกิริยาวาจาของเราเนะะี่นแหละฝึกฝึกหัดทําไมฝึกหัดให้ดีกิริยากายให้ดีกิริยาวาจาคําพูดให้ดีกิริยาตากิริยาปากกิริยาไม้กิริยามือการกราบการไหว้ให้ดีให้งาม เพราะการเข้าบวชนี่เป็นการเข้ามาฝึกกิริยาให้งามถ้าเราเข้ามาแล้วเราไม่ฝึกเราก็ขาดทุนเราขาดทุนเราอุตส่าห์งดสนุกงดเล่นเรามาเพื่อเราจะได้ตั้งใจฝึกเอาบุญให้มีกิริยานอบน้อมบุคคลที่มีกิริยานอบน้อมเ น, นีเ่เป็นกิริยาที่น่าเคารพเป็นกิริยาที่น่ายำเกรง เป็นกิริยาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแล้วอ่าให้ความสําคัญนะฮะให้ความสําคัญกลายเป็นบุคคลสําคัญได้เป็นกิริยาที่งามเป็นกิริยาที่อ่อนน้อมเปแย่ถ้าตรงกันข้ามแข็งกระด้างไม่ว่าเล็กไม่ว่าผู้ใหญ่เท่านั้นแหละมันดูไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องที่จะผูกใจให้เกิดความชุ่มเย็น เกิดความเร่าร้อนไม่เป็นผลได้ของควรจะได้ก็ไม่ได้ของควรจะดีได้ก็ดีไม่ได้จริงแล้วนี้เราต้องฝึกเราต้องหัดเอาไว้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเราเสียโดยเฉพาะวัดป่าเราเราต้องฝึกต้องหัดแม้แต่พระเราครูบาเราเนี่ก็กราบ้ายกันเป็นระดับราดับลาดับลำดั บ, บ, บไป พูดคุยกับครูบาอาจารย์ทำเนียมวัดป่าอย่าทิ้งมือต้องพนมยกมือพนมนั่งทื่อสบื้อซื่ออยู่นอกจากพนมแล้วก็นั่งคุกเข่าพนมมีตังหากนี่คือข้อแปลกดูแล้วงามดูแล้วสวยพูดซื่อซื่ อ, อมือก็แข็งปากก็แข็งกิริยาการก็ไม่สนใจแหละหันไปไหนก็ไม่รู้มันไม่น่าดู มันไม่ใช่กิริยาของคนดีคนดีกิริยากายก็ดีกิริยาวายจาก็ดีกิริยาใจก็คือตัวสติตัวปัญญานะมันเป็นตัวดีตัวกิริยาใจที่ไม่ฉลาดกิริยาใจที่ง้ทึบน่ะเป็นกิริยาใจที่ไม่ดีกิริยากายต้องงามกิริยาวายจากองงามกิริยาใจที่มีบุญมีศรัทธามีความเดิมใสมีปัญญาแพรวพรำมองทะลุโปรง เห็นเหตุเห็นผลเห็นปัจจัยสรรพัพนธ์เป็นกิริยาายทิ้งหามเนี่ยใครก็ชอบใครก็ต้องการทั้งนั้นแหละสร้างเอาทำเอาอยู่ดีๆเกิดไม่ได้ต้องสร้างเอาต้องทำเอาเอาไปพิจารณากันนะเอาไปพิจารณากันให้อยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุขต่างคนตั้งเกิดมาเห็นกันแล้วก็เอาประโยชน์จากกันและกันอย่ามาเอาโทษจากกันและกัน มันโง่มันไม่ฉลาดนี่เป็นเพศเป็นที่เป็นวงเป็นวงเป็นเผ่าเป็นพันเป็นกรอบของผู้ฉลาดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องทิ้งให้หมดทิ้งหมดถ้าทิ้งไม่หมดเนี่ยดีไม่ได้ควรฟังควรพูดควรบอกควรถามตาม ความดีงามความจังหวะที่ดีจังหวะที่เหมาะเวลาเวลาที่ดีที่งามเกิดประโยชน์แต่ถ้าตรงกันข้ามตรงกันข้ามเสียประโยชน์นะอะไรคือประโยชน์ เ, เอาอะไรไม่ใช่ประโยชน์ไม่เอาทิ้งหมดวันนี้สมควรเวลาแค่นี้ เน้นต้นเน่ ฟ, ฟ้าฟ้าบาทลงขี่ค้างแล้วลเกือบลงและนอกนั้นใครลงบ้างฮะเนเน้นโชคลงอีกแล้วฮะเน้นใหญ่ก็ลงเหรอถือให้มันม่นลงพระเราก็เซอร์ก็ลงเหมือนกอันเราจะเน้นแล้วผมผ้าทันเขาไหมนี่ ผ้าทันเขาไมไปแล้วก็ตกเรียร่าดอย่างนี้นะถ้าเราต้องห่มวันนึงสิบครั้งขึ้นไปห่มรกรรือห่มระกระรือห่มระกรื อ, อ, รร อ, อ, รรอเราให้เวลาครึ่งชงั่วโมงครึ่งชงั่วโมงเราจะหม่หมห่งมงแล้วกรือห่มจะเร็วที่สุดเร็วเร็วจนหนึ่งนาทีได้ อย่างเร็วที่สุดห้านาทีเอาที่สุดสี่นาทีสามนาทีสองนาทีเอาจนหนึ่งนาทีได้ต้องฝึกนะไม่ฝึกไม่ได้นะพวกเนียนน้อยเราเนี่ยพูดจากับกูบาจานันยกม้ยกมือเดประนมมือกูบาเราก็เหมือนกันแหละดูกูบาจานัน พระเถระพระมหาเถระพูดคุยด้วยกิริยาที่นอบน้อมหนึ่งงามามันมีข้อวัดเหล่านี้แหละพระเหลางามถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่งามดอกสะบือซื่ออยู่สมัยอาจารย์ทิพยยนตร์กระสินอยู่โอ้พันฝึกพันฝึกพระได้สององค์ ยังอยู่ทุกวันทั้งสองเลยใช่ไหมทูลท่านอะไรนะท่านท่านอะไรสององค์โอ้ตอนนั้นเนี่ยดังมากคนดังมากเลยแหละสององค์ลุกสืบกันสององค์ฝึกได้ฝึกได้เลยอ่อนน้อมกราบนกเป็นขีดยาที่งามมากถ้าเราถ้าขาดสิ่งเหล่านั้นเนี่ยดูไม่งามดอก ปฏิสันฐานกราบไหว้พูดจาเหมาะสมแล้วก็พยายามสร้างนสร้างตัวเลยนะสี่เหล่า น, นี้ไม่เป็นมันต้องฝึกหัดจนเป็นนิสัยเร่า น, นี้ฝึกจนเป็นนิสัยถ่อมตนนิสัยเคารพนิสัยยำเกรงต้องเป็นนิสัยเกี่ยวข้องนิสัยลุกรับนิสัยต้อนรับต้องเป็นนึก สมมูครูๆๆบาอาจารย์มาจะต้อนรับยังไงจะทําอะไรยังไงจะรับยังไงจะรับยังไงมีแบบฉบับยังไงดูพวกเราเนี่ดูเนี่ยเนี่ยมาวางมาวางมาจัดของกันจัดกระจายกันอยู่เนี่ย <c oughs> ทาทําแบบสุ่มสุ่มเอาทําเอาไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ จัดอะไรทำอะไรทำทำเหมือนเดิมทำจนได้เหมือนเดิมฟังแต่ลงตาท่านอุทาลงปุมนะฟังครู <c oughs> บาอจารย์นั้นฝึกขนาดนั้นนะเหมือนกับเอาอะไรไปวัดเป็นเสน้นเป็นนิ้วไว้เลยเลยอันนั้นอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้วางอย่างนั้นวางอย่างนี้ผู้ได้คือผู้ฝึกผู้ได้คือผู้ฝึก ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นคนได้นะผู้ที่ดได้คือผู้ฝึกต้องดูให้ออกด้วยทำทําไมไม่ใช่พ่อเราทําทําไมบางคนพ่อมั น, มนไม่ทํา <laughs> โอ้จะลองคิดแบบนั้นแล้วก็เสดท่านั้นแหละะ เ, เกิดเป็นมนุษย์เสียชาติแล้วทําเอาเองคนฉลาดเขามองเขาทาเอาเอง กราบไหวถวายอ่ อ, อนนิ่มก็ทําก็ทําเอาของเขาเองนะไม่ใช่เขาทาให้ใครนะกิริยาที่งามก็ทําเอาของเขาเองไม่ใช่ทําให้คนที่ทําให้นะไม่ใช่นะคูรายา์ญญท่านไ ม, ไม่ได้นะท่านไม่เอาคนทำน่นแหละได้เองอะ ถึงคราวที่ยังระลึกอะไรไม่ได้ก็ทำด้วยด้วยด้วยกดด้วยเราเบียบถูกบังคับถึงการถึงคราวที่มีเองเป็นเองไม่ต้องมีอะไรบังคับทำจนเป็นนิสัยไม่มีอะไรบังคับไม่มีอะไรบังคับพูดยกมายกมือคือความพอดีพอเหมาะ เมื่อก่อนเนี่เราเริ่มฝึกหัดเราก็ลำบากใจมากเหมือนกันนะเขามีกรอบเขามีเกณฑ์ยังไงเขามีเพดานยังไงจะทําดีขนาดไหนอะไรยังไงเนี่ยมันลำบากนะเราเอาตัวนี้เราเป็นเกณฑ์ในตัวเองเราก็พยายามดูพยายามฝึกพยายามทำํำยังไงถึงจะว่าถูกยังไงถึงจะว่าดีสรุปลงแล้วก็คือจาำมาไว้สรุปลงแล้วก็คือ ให้มันเข้าเหตุเข้าผลนี่ไปแล้วมันไม่เกิดเหตุเกินผลนะมันต้องเข้าเหตุเข้าผลบางทีไม่จําเป็นไม่มีเหตุไม่มีผ ล, น, ผลนี่ก็ใช้ไม่ได้เกินเหตุเกินผลี่ก็ใช้ไม่ได้พอดีพอเหมาะสมเหตุสมผลดูพอดีพองามสมเหตุสมผลความพอดีพองามพอเหมาะพอสมสมเหตุสมผลอ้าวเลยเล ย, เลยได้ความเข้าใจอีกได้ความรอบรู้อีก เห็นอย่างเราไปเราไปเห็นเราเดินไปในงานในเราไปเจอครูบาอาจารย์เราก็เคารพข้างในแต่ถ้าอยู่ในที่ไม่เหมาะเราก็ไม่กราบอยู่ในที่ไม่เหมาะเราก็ไม่กราบอยู่ในที่บนดินบนลายเราจะกราบแล้วก็ไม่กราบอยู่ในที่จอยแจหรืออยู่ในที่ท่านไม่เห็นเราเนี่ยเราก็ไม่กราบแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ระดับระดับลงตาเราอยู่ตรงไหนเรากกราบ อยู่บนตาเรากราบยันเพื่อนให้เราหน่อยกราบอะไรไม่ดูที่ไม่ดูอะไรเอาเะคุณวา่ากระสางกราบตรงไหนก็ถูกหมดแห่ะกราบข้างหลังเพื่อนก็ก็ได้หมดแหละกราบข้างหน้าเห็นหรือไม่เห็นก็ได้หมดกราบบนนี้ก็ได้หมดแหละแต่ถ้าเเพื่อนดูแล้วเราไปทําเราไปทําอย่างไนอีกก็เมื่อเราทําใส่เพื่อนอีกเป็นอ่น พวกเราต้องได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้ทำมาเท่งนั้นจากนั้นแล้วก็ปัญญาไปนึกไปคิดไปไปทำมาเองมีผลเพิ่มของมันของของขอ ง, ของตัวเองเราชื่อว่าสาวกสาวกได้ยินได้ฟังปัญญาก่อนที่จะเกิดเนี่ยมันก็ต้องได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องของสัญญาซะก่อนเขาบอกมาเป็นระเบียบเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็จำเอามาเป็นสัญญา ไปฝึกไปหัดไปดัดไปแปลงว่ามันก็จะแตกไปจายแตกแขนงออกไปเองมันมองเห็นทะลุ ป, ปูกโปร่งไปหมดกิริยาความพระพุติของเราก็พยายามไปตามนั้นแต่เรื่องขบเรื่องฉันมีนก็ยากยากมอก่อนฉันยังฉันยังไ ง, ง, ไงจะจับยังไงจะอะไรยังไงจะผิดทำเมียมจะผิดนู่นผิดนี้จะผิดอะไรอะไร พอเราพิจารณาเข้าแง่เหตุผลนี่มันมันสะดวกสบายทําอะไรได้เหตุได้ผลสมเหตุสมผลไม่อาจจะไม่เหมือนเขาก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีเหตุผลพูดได้บอกได้ด้วยตัวองตัวเราเองเนี่ยเราศึกษามากๆเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างงั้นนะมันจะเป็นยังงั้นมีเหตุมีผลเป็นของตัวเองก็เหมือนอย่าง กิริยาการขอขอโอกาสขอโอกาสเนี่ยไปขอติดปากก็โดนอีกน ะ, อะขออะไรให้แล้วเ <c oughs> มื่อเมื่อครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านให้เทศท่านให้สว่วท่านให้อะไรก็ท่านบอกเองเราไปขึ้นเองขอโอกาสไม่ต้องขออะไรอีกก็ท่านให้แล้ว <c oughs> ขอโอกาส ไม่จําเป็นจะต้องขึ้นคําว่าขอโอกาสทุกครั้งไปเราไปเห็นวัดบางวั น, ว น, วนโอ้พันฝึกลูกศิษย์เพิ่นเนี่ยโตจะพูดอะไรขึ้นมาขอโอกาสขอโอกาสมันเกินจําเป็นไปอีกมันไม่ใช่ในเมื่อบางอย่างมันสมมติเราขอท่านอ่ะส้มื่อท่านท่านไม่ให้อะทำไงอ่ะ <ged at the moment> จังหวะที่เหมาะอย่างเงี้ยจังหวะที่เหมาะเราขอโอกาส ขอาการแล้วเราก็ทําขอาการรับบาตรเงี้ยขอากาศรับบาตรเนี่ยเพื่อบอกเพื่อให้ท่านรู้ว่าเราจะรับบาตรแล้วมือก็ไปอุ้มเอาเลยจะให้ท่านยื่นให้เนี่ยทำไม่ยื่นนะอ๋ใครจะรับบาตรจากใครก็ตามแต่เนี่ยพระเราเนี่ยมักจะเซอร์ตรงนี้นะที่อื่นเหมือนกันนะเราไปเนี่เซอนะรับบาตรเนี่ยขอากาศครับมือรับเอาเลย เขาขาดหละให้ท่านยืนให้เนี่ยท่านมายืนให้ดอกท่านดูความเฉาของเราเรามีเฉาไหมเขาขาดในเมื่อเราต้องการจะช่วยท่านเนี่ยเขาขาดพากว่าอุ้มปึ๊กพอเลยแต่เหมือนกับไปแย่งอุ้มไปแย่งอะไรกิริยาไม่เหมาะกับก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะก็ไม่เหมาะอีกเขาขาดจะลุกจะยืนจะกราบจะไหวจะอะไรตัวอะไรเขาขาศหมดทุกอย่างทุกเรื่องก็ไม่ใช่สมมติว่านั่งยืนคุยกันเนี่ย ถามนู้นถามนี่ก่อนจะตอบข้อขาการซะก่อนก็ไม่ต้องขอขอทำไมดูนี่มันคือมันเกินเหตุเกินผลมันมีอยู่นะดูพิจารณาด้วยเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าเราเรากำกับไว้ให้ทีให้ละเอียดกับเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นเรื่องดีกว่ากลายเป็นเรื่องดีกว่า บางคนทือท่อๆสบือซื่อพูดพูดสบื่ซื่อไม่มีอะไรเลยมันมันขาดกิริยาที่งามนะกิริยาขึงขังตึงต่างกิริยากันเองกิริยานอกน้อมกิริยาอะไรมันอยู่ในการกะเกณฑ์ของเราได้หมดในปฏิสันถานท่านก็พูดโยปฏิสันฐานให้เหมาะสมกับผู้ที่มา ควรกราบควรไหว้ควรพูดควรควุยควรขอโอกาสควรพูดแบบกันเองควรพูดแบบนอบน้อมควรอะไรอะไรมันมีเหตุผลกำกับบอกหมดในตัวเองนี่พอมาถึงตอนนี้เราสบายสบายถึงตอนที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย อ, อันนั้นก็ควยจะผิดอันนี้ก็ควยจะผิดนั่งหน้าเข้าหลบเห็นครูบาอาจารย์มาเนี่หลบบางค น, นลบจริงๆอะ่ะทำไม่เป็น หลบทานักนก็ควรจะผิดทำนี้ก็ควจะถูกกลายเป็นคนไม่สร้างนิสัยกับตัวเองกลายเป็นคนหลบกลายเป็นนักหลบใช้จริงท่นสอนให้กล้าอยู่แล้วเพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ทุกคนจะต้องจะต้องใหญ่ขึ้นโตขึ้น สมุดอีกเล่มหนมึ่งมาเห็นมีนี่อยู่ไหนฮะนี่สมุดเห็นสองงานนี่อีกอันหนึ่งไปไหนนะอยู่ไหนทําไมไม่เขียนเหมือนพระคณิตคณัตคณัตคณันคณัต น, นันอะไรฮะทาไมไม่เขียนวันเนนคณัตนัน้นนี่ เขียนตัวหนังสือนี่ก็อ่นานยากให้มันเน้นกนว่านี้สัหน่อยดูไม่ออกนี่เขียนอะไรไม่รูต้องเขียนมากดอกเขียนหลักๆเขียนเจ่อๆไหนอีกเล่มหนึ่งเอามาหนังสือให้เอามาอยู่ไหนอะแล้วทำไมไม่เอามา กมาก็ไม่มีเวลาดูดอกตอนนี้หนิตาจะไปดูอะไรเห็นหนินะตั้งใจทําให้ดีนะเราเสียเวลาดูอันนี้ให้เสียเวลาเราเยอะเลยนะตั้งใจทําให้ดีนะผมเล่นไม่ได้นะเฉะนั้นให้มีอะไรดีขึ้นด้วยที่เกียร์ที่คานเท่าเดิมหนิไม่ได้ต้องขยันขึ้นต้องดีขึ้นเขียนต้องดีขึ้น ้อปฏิบัติอะไรต้องดีขึ้นต้องมันฉลาดขึ้นต้องมีอะไรเด็ดๆ เ, เอามาเขียนอยู่ในนี้นี่ไม่ใช่คิดเอาเขียนเอานะทําแล้วถึงจะมาทำในนี้เดินยงกลมสามชั่วโมงมีข้อแปลกแตกต่างอะไรบ้างอยู่ในนี้เขียนมาเขียนมาเขียนสั้นๆเขียนเ ย, ยอะๆต้องให้มันดีขึ้น Bye. Yep.